คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี fm 89.5 เ m h z โควิด1 9จะไม่แพร่ต่อถ้าเราเว้นระยะห่างระหว่างกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปได้สุขก็จะนํำพาชีวิตเราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกสุขเพลินชีวา่าเสียงเพลงคัวราช า, าพาเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนพ้องเรามารื่เร น, รนเร่สนุกสวรรค์ ชื่นชมบันเทิงเรื่องใจเจ็ดเหนื่อยการงานปานใดนับิ้งไปไม่ควรเด็บ ม, มากังวลราชมงคลเรามาร่วมใจเรื่องเริงกันให้สบายอุรา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรบับเข้าสู่รายการที่นี่ RMUT นะคะเรื่องราวของข่าวสาร9ราชมงคลค่ะกับดิฉันรศิษาตะกุลเง็กพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลา1นกานาทีโดยประมาณค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5สิบเมนะคะ สำหรับวันนี้ที่นี่ RMUT มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารของชาวราชมงคลเช่นเคยนะคะคัดสันนำมาเสนอ้นผู้ฟังใน3ช่วงรายการค่ะกับช่วงแรกในวันนี้เปิดบ้านราชมงคล น, นั่นเองค่ะ บ้านราชมงคลนะคะศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด1 9มทรธัญบุรีแถลงการมาตรการให้ช่วยเหลือบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมทรธัญบุรีนะคะได้ออกแถลงการมาตรการให้ความช่วยเหลือบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ค่ะซึ่งจะได้แก่ ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะคะจัดตั้งศูนย์พยาบาลเฝ้าสังเกตอาการและให้ความช่วยเหลือในการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยจัดพยาบาลประจำทั้ง7วันทำการค่ะสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลทัญบุรีโรงพยาบาลหนองเสือโรงพยาบาลคลองหลวงอำเภอธัญบุรีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ60สพรรษาและศูนย์ประชาบาดีเพื่อประสานและส่งต่อจุดควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส คด้านการช่วยเหลือในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยค่ะจะเตรียมหอพักนักศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อดูแลสวัสดิการเบื้องต้นให้กับนักศึกษาที่อยู่หอพักมหาวิทยาลัยค่ะเช่นการติดต่อร้านอาหารให้เข้ามาจําหน่ายภายในหอพักมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งร้านนะคะประสานจัดประชุม ผู้จัดการหอพักเอกชนนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยโดยร่วมกับโรงพยาบาลธัญบุรีค่ะให้ความรู้ความเข้าใจขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยจากโควิด -19 รวมถึงขอความร่วมมือลดราคาที่พัก 30% เปอร์เซนในเดือนเมษา ย, ยนและพฤษภา ค, คมค่ะ เฉพาะหอภาคที่ตกลงให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีการสอบปลายภาคและการสอบปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ทางออนไลน์ได้ค่ะโดยใช้โปรแกรมสนับสนุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอนุมัติให้เปิดภาค ก, การศึกษาฤดูร้ อ, อนเริ่มตั้งแต่17เมษายน2563โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เปิดรายวิชาให้กับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเท่านั้นค่ะ ด้านการช่วยเหลือของกลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนะคะได้จัดทำประกันสุขภาพโควิด -19 ให้กับบุคลากรทุกคนกำหนดจุดคัดกรองการเข้าออกตามอาคารค่ะจัดเตรียมหอพักสำหรับบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อไวรัสนะคะจัดทำมาตรการการทำงานแบบเหลื่อมเวลาค่ะ และ Work ์กฟอร์มโค่ะส่วนการให้ความช่วยเหลือในชุมชนมีการลงพื้นที่ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ค่ะจะทำหน้ากากอนามายัยสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆที่มีความต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้นะคะยังมีการพัฒนานวัตรกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบุ ค, คลาก ร, กรทางการแพทย์และโรงพยาบาลอีกด้วยนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะมททันย บ, บุรีจึงขอเชิญชวน ร, ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อวัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการแพทย์นะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลทนันญ บ, บุรีหรือมอรอทรทันย บ, บุรีนะคะเปิดเผยว่ามาททันย บ, บุรีได้เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อร่วมเป็นช่องทางสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนวัดุ ดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีมอทรธัญบุรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 453-0-00204-5 หรือบัญชีออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชี 453-1-40285-3 สำหรับผู้ที่บริจาคนะคะสามารถขอใบาการลดหย่อนภาษีได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025494992นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าติดตามรอบรู้ก้าราชมงคลกันค่ะรู้หรือไม่โลหิต oh หนึ่งถุงที่บริจาค ก, ก่อนจะนไปให้ผู้ป่วยมีการเดินทางอย่างไรตาหนูแดงมาดูกันเลย โลหิตหนึ่งถุงที่บริจาคจะสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆได้แก่เม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดและทัสมา่าเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ตรงตามอาการอยากมีประสิทธิภาพเม็ดเลือดแดงจะนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุการผ่าตัดใหญ่โรคโลหิตจางธาลาีเมียเกล็ดเลือดนาไปรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่า และมีปัญหาเลือดออกผิดปกติเช่นโรคไข้เลือดออกและมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนล l a s m านำไปรักษาผู้ป่วยเนื่องจากแคลไปไหม้ผู้ป่วยที่ช็อกจากอาการขาดน้ำาบริจากโลหิตหนึ่งครั้งช่วยได้หลายชีวิต p ล u ส1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตรู้แล้วทาป้องกันโควิด19 คลิกปุ๊บรู้ปั๊บเท่าทันโควิดนอกจากการระมัดระวังตนเองแล้วการติดตามข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้เราสามารถเตรียมการรับมือการระบาดของโควิด -19 ได้โดยการกดคลิกเข้าที่แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันเช่นรับข้อมูลผู้ติดเชื้อกับกระทรวงสาธารณสุข covid.ddc.moph.go.th แพลตฟอร์มรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ ผู้รับการรักษาและผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นและข้อแนะนำในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโควิด -19 อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อด้วยโควิด tracker โควิด tracker โดย f ฟล l a b s แพลตฟอร์อมรวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบเรียลไทม์พร้อมบอกพิกัดและรายละเอียดของผู้ติดเชื้อ ด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเข้าสู่ช่วงรอบรู้9ก้าราชมงคลในวันนี้นะคะเริ่มกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อโควิด i d 1 9ให้กับ15โรงพยาบาลค่ะ วันที่30มีนาคม2563นห้อณห้องปฏิบัติการฟิเบริกชันแล็บชั้น1คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร อ, อีสานนครราชสีมาผู้ช่วยศาสตราจารยา์นรงผลวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อโควิด n i n e t ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้บริหารบุคลากรสิ่งกาฬ และผู้บริหารทั้ง4คณะของมอทรอยอีสานโดยได้ดําเนินการส่งมอบให้กับนายแพทย์วิชานคิดเห็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเนินซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับ15โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่โรงพยาบาลสูงเนินโรงพยาบาลพระทองคําโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลขามสแกแสงโรงพยาบาลสีดาโรงพยาบาลปักทงชัยโรงพยาบาลหนองบุญมากโรงพยาบาลแก้งสนามนางโรงพยาบาล บาลบัวใหญ่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวโรงพยาบาลด่านขุนทดโรงพยาบาลเมืองยางโรงพยาบาลนนสูงโรงพยาบาลห้วยถแถลงและโรงพยาบาลคงโดยหลังจากนี้รองศาสตราจารย์ดรนรงศักดิ์ธรรมโชติคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะเดินหน้าสร้างอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอาทิโต๊ะประกอบกล่องป้องกันการกระจายเชือ้อและตู้เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบการหาเชือ้อ เชื้อัวรัสโควิด19เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้ป้องกันตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19ต่อไปจิตสุพาประหาประชามพันธ์และเผยแพร่มทริสารรายงานทางด้านคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะผลิตหน้ากากอนามัยสาหรับถวายแด่พระพิสุกจานวน 2,000 ชิ้นค่ะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำโดยคณะบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้ผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับถวายแด่พระพิสุขจำนวน2000ชิ้นซึ่งมีนักศึกษาอาจารย์ร่วมกันผลิตในการนี้ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้รับการสนับสนุนผ้าจากบริษัทอเมาส์พลัสสองพาจำกัด โดยคุณเสรีเสียงจงกับนางสาววงเดือนจาตุรนสิทิ์เก่าของคณะซึ่งหน้ากากดังกล่าวเมื่อตัดเย็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรองศาสตราจารย์สุภัทราโกสัยการนนท์รักษาราชาการแทนอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะนำไปถวายแก่พระพิสุต่ตอไปนัทธพัทธรพลจุติการพณิชย์วิทยุราชมงคลพระนครรายงาน ในส่วนของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะเตือนฝุ่น pm 2 5เป็นพาหะนําเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแนะประชาชนสวมหน้ากา ก, กาป้องกันฝุ่นป้องกันโรคนั่นเองค่ะจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโครโรนาสองพหรือโควิด1 9ในประเทศไทยและต่างประเทศในขณะนี้ได้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าร่วมด้วย ส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในอากาศเกินมาตรฐานด้วยนั้นรองศาสตราจารย์ดรพาณิชย์อินตะหัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหาวิทยาการมทรล้านนาหนึ่งในทีมพัฒนาหน้ากากผ้านาโนวินมาร์สร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชเปิดเผยว่าในช่วงเวลาที่ประเทศกําลังเผชิญกับโรคระบาดรวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ อยากฝากเตือนประชาชนให้สวมหน้ากากป้องกันตนเองจากไวรัสและฝุ่น PM 2.5 เพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่าอนุภาคขนาดเล็กของเชื้อไวรัสสามารถเกาะกับอนุภาคขนาดเล็กของฝุ่นหรือ PM 2.5 และเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจได้เมื่อผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสไอหรือจามซึ่งปริมาณของฝุ่นมีผลกับการแพร่ระบาดของโรคสามารถสังเกตได้ว่าช่วงที่ฝุ่นน้อยการระบาดก็จะต่ำไปด้วย แต่กลับกันคือในช่วงที่เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมีจำนวนมากโรคติดเชื้อก็จะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงอยากฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบนในขณะนี้ให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นและป้องกันโรคติดต่อซึ่งหน้ากากผ้ า, ก, าก็สามารถใช้ป้องกันได้เช่นกันและขอให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่าตื่นตระหนกให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและเข้าใจ จะสามารถผ่านสภาวะการนี้ไปได้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดในภาคเหนือมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพติดต่อกันหลายวันโดยมีสาเหตุเกิดจากไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้บนภูเขาในหลายจังหวัดและยังคงลุกลามต่อไปเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนและก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องโรคโควิด -19 ไปพร้อมกันด้วยทฤติธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านานารายงาน ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโรยราชมงคลทันยบุรีนะคะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณกรมพลศึกษาศูนย์ฝึกกีฬาคลอง6ประทุมธานีเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 นั่นเองค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏคลอง6จังหวัดประทุมธานี นายสันติปาวายอธิบดีกรมพรศึกษาเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้พื้นที่ที่กักกันผู้ที่มีความเสี่ยงไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดประทุมธานีเพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อหลังจากผ่านการคัดกรองของสาธารณสุขจังหวัดประทุมธานีโดยมีนายแพทย์สราวุธธนะเสรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรีรองศาสตราจารย์ดรสุจิราขอจิตเมธ ร, รองที่การบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะทํางานด้านสาธารณ รณสุขและจิตอาสา904ของจังหวัดประทุมธานีร่วมประชุมด้วย ตามที่นายพิพัฒ์รัชนกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีข้อสั่งการให้กรมพัะศึกษาเปิดพื้นที่บริเวณศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเพื่อเตรียมการรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อหลังจากการคัดกรองของฝ่ายสาธารณสุขจังหวัดประทุมธานีซึ่งกรมพัะนศึกษาได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักนักกีฬาไว้รองรับผู้ที่ถูกกักตัวไว้จํานวน120คนโดยผู้ที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงจากการพิจ การณ์ของสาธารณสุขจังหวัดประทุมธานีจะต้องถูกกักตัวไว้เป็นระยะเวลา14วันในสันติป่าวายอธิบดีกรมพรศึกษาเปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้กรมพรศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิดสิ 19, จึงได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ศูนย์ฝึกกีฬากรมพรศึกษาของ6และได้มอบหมายให้บุคลากรขอ ง, ของกรมพรศึกษามาช่วยกันเตรียมพื้นที่ด้วยการทำความสะอาดภายในอาคาร และยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เข้ามาพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบอีกด้วยสุดท้ายก็ขอให้มั่นใจว่ากรมพรศึกษาได้ร่วมมือและเตรียมความพร้อมกับจังหวัดประทุมธานีไว้ให้บริการประชาชนซึ่งเราต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันกําจัดไวรัสโควิด COVID -19 ให้ออกไปจากประเทศไทยให้เร็วที่สุดนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน ปิดท้ายนะคะกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยสร้างกล่องป้องกันเชื้อไวรัสุ้งกระจายมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ รองศาสตราจารย์ จ, ร, ยจรูนเจริญเนกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสงขลาเบื้องต้นว่าทางโรงพยาบาลสงขลาต้องการกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อสําหรับหายใจและเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ต้องเปลี่ยนสายท่อหายใจสําหรับผู้ป่วยจึงได้เสนอแนวคิดแก่อาจารย์บุคลากรเพื่อร่วมกันออกแบบและผลิตกล่อง การเชื้อไวรัส ทั้งนี้นายไกรวิชูชาติวิศวกรรมควบคุมหนึ่งในทีมงานสร้างกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายได้ดําเนินการนํากล่องต้นแบบโดยใช้วัสดุอะคริลิกแทนวัสดุจาก P ีวีมีช่องสําหรับแพทย์และพยาบาลได้ทํางานร่วมกันได้สามารถโยกย้ายทําความสะอาดได้สะดวกน้ําหนักเบาและได้นําไปทดลองใช้ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสงขลาโดยมีแพทย์และพยาบาลได้ทําการทดลองใช้ให้ข้อแนะนําข้อเสนอ เพื่อนำกลับไปแก้ไขและพัฒนาให้ได้กล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายที่ได้มาตรฐาน ขณะนี้ทางผู้จัดได้ดําเนินการผลิตกล่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายเพื่อทําการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการทั้งยังเร่งผลิตเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการอีกเป็นจํานวนมากและในอนาคตอันใกลน้นี้ทางคณะวิศวกรรมศาสต ร, ร์ ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยยังมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติ ม, เ, ตมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด -19 ต่อไป คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารงานวิจัยกันค่ะรู้หรือไม่ทำไมเราต้องบริจาครหิตเลิดขึ้นอีกครั้งเพราะโลหิตมีความจำเป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้การบริจาครหิตครั้งละ 350-450cc เขนอยู่กับน้ำหนักตัวหรือ 10-12% ของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกายซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคเลยครับ จากสถิติความถี่การบริจาครหิตทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติปี2561พบว่ามีผู้บริจาครหิตปีละ1ครั้งจำนวน1ล้านคนแต่คนที่บริจาครหิตปีละสครั้งมีเพียง 60,000 ่นคนเท่านั้นเพียงแค่ทุกคนช่วยกันบริจาครหิตเพิ่มขึ้นจาก1ครั้งเป็น2ครั้งต่อปีจะทําให้มีส่วนประกอบโลหิตเพิ่มขึ้นถึง3ล้านยูนิตซึ่งแยกออกเป็นเม็ดเลือดแดง1ล้านยูนิต เกล็ดเลือด1 000, 000, 000, ล้านยูนิตทัสมาหล้านยูนิตและสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นถึง3ล้านคนเลยล่ะครับบริจาคโลหิต1ครั้งช่วยได้หลายชีวิตคลัสวเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตรู้แล้วทำป้องกันโควิด -19 คลิกปุป๊บรู้ปับ๊บเท่าทานโควิด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 เข้าสู่ช่วงนี้นะคะข่าวสารงานวิจัยช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นำเสนอผลงาน aerosol box ค่ะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะที่คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อโควิด i d 1 9ค่ะ อาจารย์ดอกเตอรรักชาติกลิ่นล่านะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมานะคะบอกว่าคณะทำงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ค่ะ จึงได้เริ่มความคิดในการออกแบบแอโร s o ลบ็อกซ์ขึ้นค่ะเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการทำหัตถการกับผู้ป่วยสำหรับทีมแพทย์และพยาบาลค่ะ โดยจุดเริ่มต้นการคิดคนนะคะเริ่มจากที่ได้เห็นโพสต์ค่ะของนายแพทย์ไหลซึ่งได้ออกแบบ aerosol box อย่างง่ายนะคะเพื่อใช้ป้องกันละอองในขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจให้แก่คนไข้จึงคิดว่าคุณหมอและพยาบาลไทยเนี่ยควรจะมีเอาไว้ป้องกันตนเองเป็นอย่างมากค่ะจึงได้ปรับแบบจากชิ้นงานของต้นฉบับเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ใช้แผ่นอะคริลิกได้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งได้มีการติดต่อกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะผ่านคุณอารุโอไทยอินทรกรรมแหง เพื่อเสนอแบบและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานนำมาปรับใช้งานให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองทั้งนี้ในส่วนของอุปกรณ์ r o s o l ซบ x นะคะผลิตจากแผ่นอะคริลิกใสหนา4มิลิเมตรมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือ Aero s o l Box สำหรับการทำหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นกล่องขนาดเล็กประมาณ50ซนตมรคูณ50ซนมคูณ40ซนเมค่ะ 2ก็คือ Aero s o บ็อกซสำหรับงานตรวจคัดกรองและซักประวัติเป็นกล่องขนาดใหญ่นะคะประมาณ9 0ซนตมรคูณ8 0ซนเมตรคูณ4 0ซนตมนั่นเองค่ะ ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะคะออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยเหมาะสําหรับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันละอองที่แพร่กระจายจากผู้ป่วยค่ะภายหลังการสํารวจความต้องการจากแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมานะคะพบว่ามีความต้องการ aerosol box ทั้งสิ้น37กล่องด้วยกันซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมเงินบริจาคจากทีมพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชและกองทุนเพื่อนมารีวิทยาสามารถจัดทําได้จํานวน10กล่องค่ะ แล้วก็เงินบริจาคจากคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสามารถจัดทำได้อีกจำนวนหนึ่งนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยได้นำเครื่องต้นแบบไปมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชเรียบร้อยแล้วและสำหรับผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนผลิตอุปกรณ์นี้เพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะที่ชื่อว่ารักชาต กลิ่นล่าค่ะส่วนอุปกรณ์แอโรซ็อบสำหรับการสัมภาษณ์และตรวจคัดกลองผู้ป่วยตอนนี้มีการออกแบบไว้ด้วยแล้วก็ทราบว่าทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงแบบและดำเนินการผลิตไปแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลได้ใช้งานต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้คือข่าวสารรอบรัวก้าราชมงคลของเรานั่นเองค่ะ ติดตามรายการที่นี่ RMUT ได้ใหม่ในครังหน้านะคะกับทีฉันราริษาตระกุนเน็กร้อมทิมงานทุกท่านมานี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการไปยายามเลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ ความจริงข้างในว่าฉัรัเธอมาเพียงใดแต่สทายามานานแสนนานทไรยังคงรอยังลองทุกวิธีทุกทางเธอไม่เคยเห็นนในสายตาเป็นเพียงมไม่มีตัว ทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทําให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จําเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักจะแค่ไหนเพราะคนไม่จําเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้อง ยอมจากไปพร้มน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลยเลยดเทียบกับเธออย่างไงแล้วก็ไม่ ค, ควรสิ่งที่ยังเหลือ จะทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้หยุดไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักแทแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็น ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉัน 89.5 เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงที่ a o r e i e n your h า .fm 8975วิทยุราชมงคลทัญญาุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th ท 02-691-773-8-9